เขานอบน้อมต่อคุณพรัตนาไตรโภคการเพื่อนสามีทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีระยาทธ่ดำทุกท่านก็นั่งสบายๆเนาะเมื่อกี้เราก็ได้สวด อ, อริมัสมีองแปดนี่เป็นหนทางที่จะดำเนินสุ่การพ้นทุกนะมันมีในอริยสัจสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมักมันะ ทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้สมุทัยเป็นสิ่งต้องละมรักเป็นสิ่งต้องทําให้แจ้งนี่โลดเป็นสิ่งต้องทําให้แจ้งมรักเป็นสิ่งที่ต้องทําให้เกิดเนะาะเพราะฉะนั้นที่เราสวดมรักมียงแปดเนี่ยแหละก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องดําเนินต้องทําให้เกิดขึ้นนะเพื่อที่จะไปสู่ความมนทุคือนิโรดนั่นเองอันนี้ <c oughs> อันนีมรักมียงแปดนะก็มีสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริหรือความคิดชอบสัมมาวาจาการเจรจาชอบสัมมาคัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชิโโบการมีอาชีพ ช, ชอบสัมมาวายามโมมีความเพียรชอบสัมมาสติคือความระลึกชอบ สัมมาสมาธิมีจิตตั้งมั่นชอบเนาะอันนี้กนะ็เราก็มีองค์แปดเช่นนีนะ้แต่ถ้าย่อให้สั้นๆเพื่อจะได้จำได้ง่ายๆก็คือให้มีศีลสติสมาธิปัญญานั่นเองเนาะมันมันดำเนินไปในแนวทางนี้แหละโดยทางของศีลสติสมาธิปัญญาเนาะนะครนะานี้ศนะีลเราก็ส่วนมากเราก็รู้กันอยู่แล้วนะ เป็นอย่างไรนหะสี่5้าสีน่8นะนะอันนี้เราก็ทำด้วยความที่เรียกว่าไม่ไม่ให้ขาดตกบกพร่องน ะ, ะสติอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะมันจริงๆแล้วบางทีก็คนไปสรุปในมัเมียง8ดเนะี่ยเป็นแค่สีนสมาธิปัญญาเท่า น, นั้นน ะ, ะบางทีก็เลยเป็นมุ่งจเจริญสมาธินะเป็นหลักนะเพื่อให้เกิดปัญญานะ แต่จริงๆแล้วมันมีคำว่าสติอยู่ด้วยมนะาสัมมาสติเนี่ยอันนี้มันสำคัญมากบางคนตัวใหญ่ก็เลยคนก็เลยลืมไปนะไปรวมกับสมาธิกันไปแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องแยกมานะอ่ะสาสัมมาสติการระลึกชอบสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นชอดมันแยกกันอยู่แล้วนะั่มันมันไม่ได้ไปรวมกันอืมตอนนี้ถ้าเรามีสติแล้วเราก็จะเข้าใจนะเข้าใจสภาวะธรรมต่างๆได้เยอะแยะเลยนะครับ เพราะว่าคำว่าสัมมาสติก็คือความระลึกชอบใช่ระลึกได้ว่าเราเกิดอะไรขึ้นในใจในกายเราเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากเนาะคราวนี้ถ้าเราไปดูในครูบาอาจารย์หลวงปู่ดูลท่านบอกเอาไว้นะว่าการที่เรากลับมารู้กายรู้ใจเนี่ยไม่มีความสำคัญมากอย่างไรนะท่านก็บอกว่า ทุกจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกใช่ไหมจิตส่งออกนอกเป็นทุกผลเองจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยนะคือสาเหตุการเกิดทุกผลแห่งการที่จิตส่งนอกก็คือทุกนั่นเองนะจิตเห็นจิตนะเป็นมรคนผลแห <ๆ S 2> ่ง ก, การที่จิตเห็นจิตเป็นนิโรดนะ น, นี่มันมันเป็นการที่เรียกว่าเร า, าสรุปองค์มรให้ให้สั้นลงนะ มันก็คือกลับมารู้จักใจเรานั่นเองนะรู้จักจิตเรารู้จักใจเรานี่แหละมันจึงเป็นการเดินมรรคนะเป็นการเดินมรรคในในตรงนี้ <c oughs> เพราะว่าการที่เรามาฝึกเจิตระติก็ตามรู้รู้ในการเดินจงกรมการยกมือสร้างยังหวากรู้ในชีวิพจัมบัตต่างๆนะดื่มกินพูดคิดคู่แขนเหย็ดแขนก้มเงยทรงจิบอิสังคติ อุจะลาปั ส, สวะดื่มลิมกินเขียวรู้สึกตัวจริงๆนะทั้งหมดนี้ก็คือกลับมารู้จักใจเรารู้จักจิตเราเท่านั้นเองนะเพื่อว่าให้เรามีเครื่องอยู่เครื่องอาศัยในทางกายให้มีใจให้มีกายเนี่ยเป็นเครื่องรู้นะเป็นวิหารธรรมคือมีการเคลื่อนไหวต่างๆแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อกลับมารู้ใจนะตรงนี้มันมันจะได้กลับมารู้ใจไหมนะตรงนี้มันสําคัญอยู่แล้วก็ในสมัยพุทธกาลก็มีท่านปุิลตะ ท่านโปธิราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอาจารย์ไบรานป่านะเพราะว่ า, ารู้ธรรมะ แ, ะแยะเหมือนกันแต่ว่าแสดงธรรมไปแล้วมีลูกศิษย์ก็บรรลุเป็นพระรหันต์แต่ว่าก็ไม่ได้กลับมาปฏิบัติธรรมหรือก็ไม่ได้กลับมารู้ใจตัวเองเนาะไปเฝ้าพระเจ้าก็บอกว่าไบรานป่ามาแล้วหรื อ, อเวลาจะกลับพระเจ้ า, จาบอกว่าไบรานเก่าวจะกลับไ บ, บรานป่าวจะกลับแล้วหรือนะตอนหลังก็เกิดความเหมือนกับลอายใจว่าเ อ, อ ทำไม่เป็นเช่นนั้นนะเราก็ยังเป็นไบลันเตล่าอยู่ก็เลยไปถามไปถามพระองค์อื่นอยากให้เขาสอนการบวชให้นะสำหรับพระเป็น พ, าพาระละหันแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีใครอยากสอนให้เพราะรู้มีทิฏฐิเยอะจนตอนหลังก็ไปมีเนนนะมีเนนเนนก็เป็นพระละหัน์แล้วนะก็ขอให้สอนให้เนนก็อยากก็รู้ว่าตอนนี้มีทิฏฐิมากไหมถ้ามีทิฏฐิก็คงสอนยากก็เป็นครูบาอาจารย์มาก่อน ก็เลยทดลองดูว่ามีทิฐิไหมก็ให้เดินลงไปในสระน้ําทั้งจีวรนั่นแหล ะ, อะพอเห็นเดินลงไปจริงๆบอกไม่ต้องลงมาละขึ้นมาน ะ, ะ, สะแสดงว่าไม่มีทิฐิแล้วก็เลยสอนให้แล้วก็บอกว่าเออมันก็เปรียบเทียบอย่างนี้นะเหมือนกับว่ามีจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งนะมีอยู่หกช่องนะอะจอมปลวกเนี่ยมีม่อยูอ่คือมีตัวตะกวนอยู่ในอยู่ในนั้นอยู่ใน จอมปลวกนั้นแล้วก็มีรูอยู่6กหลูเนี่ยคันนี้จอมปลวกเนี่ยมันมีไหลรูก็จริงนะแต่ว่ามันตัวตะขอนมันก็ขึ้นมารูไหนก็ไม่รู้ใช่ไ่มจะจับตัวตะกรวดได้อย่างไรนะคันนี้ก็วิธีการนั้นคือก็ปิดอีก5้รูซะแล้วเหลืออยู่รูเดียวเพราะนั้นตัวตะกรวดก็ต้องขึ้นมารูนี้แน่นอนนะคันนี้รูเดียวนั้นคือไรนะก็คือรูใจนั่นเองนะรูใจ มันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ6ช่องใช่ไหมอาณาณัชเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจคร น, นี้รูเดียวที่มันปรากฏขึ้นในตัวตะกวดนั้นมันจะขึ้นมาดูไหนก็คือขึ้นมาดูใจนั่นเองใช่ไหมตาเห็นรูปนะความพอใจไม่พอใจมันก็ปรากฏขึ้นที่ใจนะหูที่ยินเสียงนะความพอใจไม่พอใจก็เกิดขึ้นที่ใจลิ้นกระทบรส ก็ปรากฏขึ้นในใจกายกระทบเย็นร้อนนองแข็งก็ปรากฏขึ้นในใจนะจมูกได้กลิ่นก็ปรากฏขึ้นในใจใจนึกคิดก็ปรากฏขึ้นในใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะจับตะกวดก็คือจับที่ใจนั่นเองนะก็คือรู้เท่าทันใจนะมันก็สามารถที่จะจับตะกวดได้คือจับกิเลสในใจเราได้นะหลังจากที่ท่านปุรณะเข้าใจตรงนี้แล้วก็คือประพฤติประทัมในการที่จะมากลับมารู้ใจ ไม่นานท่านก็เป็นบรรลุปเป็นพระรหันต์นะก็คือกลับมารู้ใจนั่นเองใช่รู้จิตรู้ใจนี่แหละนะมันก็คือหนทางแห่งความพ้นทุกข์นั่นเองนะอย่างที่หลวงปู่ดูลุสรุปว่านะจิตเห็นจิตเป็นมรรคผลแห่งการที่จิตเห็นจิตเป็นนิโรธเนะาะคราวนี้เรารู้ใจนะได้จริงจริงไหมนะบางทีบอกว่าเร า, เ, าเราโกรธเราลักเราชางังเราเกียดเราคิด จริงๆแล้วตรงนี้รู้ใจไหมตรงนี้ยังไม่รู้ใจนะตรงนี้เป็รู้อาการของใจเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะอาการของใจมันก็คืออารมณ์ต่างๆนั่นแหละอารมณ์หมายความว่าสิ่งที่ถูกรู้นะสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหลายก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นความรักความเกลียดความโกรธความชังความเหงาความเครียดความกลัวความหึงหวงความน้อยใจความอาฆาตพยาบาทต่างๆพวกนี้คือการของใจหมดเลยแต่เราก็เราก็ไป เป็นผู้โกรธเป็นผู้รักผู้ชังอ่าคือเป็นผู้ทีอ่อยู่ในอาการของใจนะมันมันยังไม่ใช่ใจตรงนี้เราก็ยังมองไม่เห็นใจจริงๆนะเราก็ไปติดอยู่กับอาการของใจเท่านั้นเองนะเป็นผู้รักผู้เกลียผู้โกรธนะมันก็ใจเป็นเช่นนั้นเราก็ก็ติดเนลมต่างๆเหล่านั้นนะแต่นานๆกันแล้วก็ไม่ได้รู้ใจอนะรู้ใจขณะนี้กํกลาลังโกรธกลาลังรักกลังชังกำลังเกลีย คือกลับมารู้ที่ใจแทนนะมันก็จะแยกว่าแล้ว อ, อ, อันนี้คืออาการของใจอันนี้คือใจนะเราไม่ได้ไปรู้ใจแต่เราไปรู้อาการของใจแล้วเราก็ไปอยู่กับอาการของใจนะไปติดอาการของใจนะไปแสดงนะไปปรุงแต่งนะอยู่ในตรงนั้นนะมามันก็กลายเป็นทรงจิตต่างนอกนะมาแม้แต่เรานะอยู่ในความโกรธ ความรักความชังมันก็คือการส่งจิตอนอกๆนั่นเองก็คือไปส่งอยู่ในการของใจแต่ไม่ได้รู้ใจขณะนี้กําลังรักกําลังชงังกําลังเกลียดกําลังโกรธนะมันก็ต้องกลับมารู้ใจใช่ไหมใจมันจึงเป็นผู้รู้น ะ, ะมันก็เป็นผู้รู้นะส่วนสิ่งต่างคือการของใจก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ไปนะเมื่อเราสามารถสังเกตใจเราไดนะ้ตอนนี้ใจเราเป็นอย่างไรนั่นแหละมันก็คือกรรมกลัมารู้ใจ เขาใจเขาก็มีหน้าที่รู้นะ <ST an ian> ก็ไม่มีหน้าที่เป็นนะเขาก็เป็นผู้สังเกตเป็นผู้รู้นะในสิ่งต่างเหล่านั้นนะบางทีเราก็เราก็คิดทั้งวันใช่ไหมคิดทั้งวันนะแต่จริงๆแล้วเรารู้ไหมว่าเรากำลังคิดใช่ไหมหรือเรากาลังพูดกับตัวเองทั้งวันนะพูดตัวเองทั้งวันเราก็รู้ไหมว่ากําลังพูดเดี๋ยตรงนี้มันมันสำคัญมนาะที่ว่ากลับมารู้ไหมกลับมาย้อนกลับมารู้ รู้จักตัวเองไหมกลับมา ด, ดูรู้ผู้รู้ไหมใช่ไหมถ้าเราพูดทั้งวันนะมันก็พูดทั้งวันอยู่แล้วนะไม่พูดทางปากก็พูดทางใจใช่ไหมปากบางทีเราก็พูดไปเรื่อยๆนะแต่พอไม่พูดทั้งปากมันก็มาพูดทางใจใจมันก็พูดทั้งวันหรือว่าบนบนู่นบนนี่ทั้งวันเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้รู้ในตรงนี้นะเราก็เราก็คิด อ, อยู่ในใจทั้งวันใช่ไหม พูดในใจทั้งวันนะมันมันไม่เคยกลับมาย้อนดูในตรงนี้เลยใช่ไหมบางทีเรามีความโกรธปุ๊บเราก็รู้ทันความโกรธก็จริงนะแต่เราก็ไม่เคยย้อนดูเลยว่าอขณะนี้ใจมันรู้ทันความโกรธแล้วนะนะมันมันก็ไม่ไม่เคยย้อนกลับมาเนี่ยมันก็คือนะเราก็จะส่งจิตต่างนอกทระงวันเหมือนกันนะแม้แต่เรารู้สึกว่าเราดูใจรู้ใจแต่มันก็ส่งจิตต้างนอกเพราะว่าเราเข้าไปอยู่ในลมต่างๆ อยู่ในอาการของจิตต่างๆแต่ว่าไม่ได้ย้อนกลับมารู้ใจจริงๆนะถ้าย้อนกลับมารู้ใจจริงๆและเป็นอย่างไรนะก็คือเราก็ปล่อยก็ว่างในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะทั้งสิ่งที่ถูกรู้และก็ผู้รู้ก็ปล่อยวางไปพร้อมๆกันมันก็เกิดอาการนะปล่อยวางเกิดการเกิดการดับในตรงนั้นให้เราเห็นได้ไหมว่าสิ่งต่างๆมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงก็มีความดับไปเป็นธรรมดามันก็ดับทั้งหมดเลย นะอาการของใจแล้วก็ใจที่ไปรับรู้นะตรงนี้มันก็สามารถที่จ ะ, ะจบนะจบก็คือจบในการที่เรียกว่ามันจะปรุงแต่งเสียงต่างต่อไปเพราะการที่มันไปปรุงแต่งหมายความว่ามันปรุงแต่งในขันทั้ง5นั่นเองใช่ไหมปรุงแต่งในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนาะขณะใจมันก็ปรุงแต่งไปในเวทนานะมีความชอบใจไม่ชอบใจนี่คือการของใจสัญญาคือความจําได้หมายรู้นะ สังขารก็คื อ, อความชอบใจไม่ชอบใจความคิดความปรุงต่างๆในตรงนั้นเนี่ยคือสภาวธรรมในขันธ์ทั้งห้านะแล้วสิ่งที่รู้มันก็คือวิญญาณวิญญาณขันธ์นะหรือวิญ ญ, ญาณธาตุเนะี่ยเขาไปเป็นรู้นะพอเรารู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยสภาวธรรมเหล่านี้เขาจะตั้งอยู่ไม่ได้เขาดับทันทีเพราะว่าการที่ใจเขาไปรู้นั่นแหละนะมันมันเป็นสภาวธรรมที่มีกําลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ้า เวทนาสัญญาสังขารซึ่งมันกำลังดำเนินการปรุงแต่งอยู่มันจะทํางานต่อไปไม่ได้มันก็จะดับเราเห็นเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยากอะไรกับมันใช่ไหมไม่ได้อยากให้มันดับไม่ได้อยากที่จะไปจัดการกับมันมันจึงแสดงความดับให้เราเห็นแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มไปจัดการกับมันต้องไปแบบนี้แบบนี้นะตรงนี้ไม่ดีนะความโกรธไม่ดีจัดการให้มันดับไปนั่นหละคือความปรุงแต่งอีกครั้งหนึ่งแล้วที่เราไปจัดการกับมัน แต่เมื่อเราสามารถที่จะรู้มันเท่านั้นเองนะไม่ต้องไปจัดการกับมันมันก็แสดงอาการความเกิดความดับให้เราเห็นได้เพราะมันไม่อยากจะตั้งอยู่ได้ในขณะที่เรามีความรู้ที่แท้จริงหรือว่ามีสติในตรงนั้นอยู่นะมันก็แสดงความดับให้เราเห็นนะเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วก็คื อ, อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างๆเหล่านี้เมื่อเรารู้ทันกับมันแล้วนะมันก็ดับให้เราเห็นได้ก็คือดับใน คันทั้าเลยนะมันก็สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้นะเพราะเราไม่ได้ไปปรุงแต่งต่ออีกแล้วเราแค่รู้เท่านั้นเองนะแล้วก็ไม่ต้องรู้เฉยเพราะการรู้เฉยบางทีเราก็ไปทําเป็นรู้เฉยเหมือนกันก็แค่รู้เท่านั้นเองโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวนะเพราะไม่ใช่ว่าตรงนี้ไม่ดีทําให้เข้าดีใช่ไหมจิตตรงนี้ไม่ดีทําให้เข้าดีอันนั้นมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการปล่อยกันวางหรือไม่ได้เป็นการรู้ใช่ไหม ตรงนี้ไปจัดการเขานะมันก็คือความปรุงแต่ ง, ท, งทั้งหมดเลยเข้ามาเราก็แค่รู้เท่านั้นเองน ะ, ะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้จริ ง, รงๆนั่นแหละมันไม่ได้ไปจัดการอะไรนะมันจะเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเข้ามาหน้าที่เราก็รู้เท่านั้นส่วนอาการต่างๆของใจนะหรือเวทนาสัญญาสังขารมันเป็นเรื่องของปัตยรักต่างหาเราไม่มีหน้าที่ไปจัดการเขา เพราะสิ่งเหล่านั้นก็เป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกาาข์เป็นนตาบังคับบัญชาไม่ได้อยู่แล้วใช่แล้วก็ไม่ใช่เราทำให้เขาเกิดเขาก็เกิดของเขาเองใช่ไหมตาเห็นรูปมารูปสว ย, สวยก็เกิดความพอใจเกิดการยินดีหรือตาเห็นรูปที่ไม่สวยน่าเกลียดก็เกิดความไม่พอใจการไม่ยินดีหูได้ยินเสียงไพเราะก็เกิดความพอใจความยินดีหูได้ยินเสียง คำด่าก็เกิดความไม่พอใจความไม่ยินดีอันนี้คือกระบวนการทํางานของใจต่างหากนะกระบวนการทํางานของขันทั้งห้านะเวทนาสัญญาสังขาร น, นะต่างๆเหล่านี้ทํางานต่างหากมันไม่ใช่เราใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนเราก็ไปยึดว่าอันนี้เป็นของเรานะเราลักเราเกลียดเราชางังเราพอใจและไม่พอใจนั่นแหละคือความไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรา เป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราแล้วนะตรงนี้มันก็ออกมาไม่ได้ใช่ไหมก็เป็นการปรุงแต่งไปโอ้มันไม่ดีนะต้องจัดการให้มันหมดไปเราเป็นคนชั่วนะหรือมันดีก็ว่าเราเป็นคนดีนะเราดีแลาวิเศษแล้วนี่มันเป็นตัวตนทั้งนั้นเลยนะตรงนี้มันมองไม่เห็นอาการของใจแล้วก็ไปปรุงแต่งกับมันแต่จริงๆแล้วแค่รู้นะมันไม่มีตัวตนอยู่มันก็คือรู้มันก็จบตรงรู้นั่นแหละมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีทําให้มันดีอะไรทั้งหลายแหล่นะอันคือ การที่เราทําได้กิเลสทั้งนั้นนะความมีตัวตนในตรงนั้นทั้งนั้นนะเพรา ะ, ะนั้นเรารู้ตรงนี้มันก็กลับมาลู้ใจนะเพราะนั้นอาการต่างๆมันก็ดําเนินของมันไปนั่นแหละ <negatively S 2> ไม่ใช่วันรู้ <crumble S 2> แล้วมันจะไม่ด <quis ites S 1> ําเนินการเราก็เพียงแต่รู้เท่านั้นนะส่วนมันจะหยุดไม่หยุดมันจะหยุดหรือไม่หยุดมันจะดีหรือมันจะชั่วมันเป็นเรื่องของมันทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของเรานะไม่ได้เกี่ยวกับเราเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเมตตนของเราเรามีหน้าที่รู้เท่านั้น มันก็ออกมาจากทุกๆสภาวะที่มันปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนเป็นสภาวธรรมที่เราเคยไปยึดว่าตรงนี้ทงของเราเป็นตัวเป็นตนตของเราต้องจัดการเข้าให้ดีน ะ, ะเมื่อไรมีตัวตนของเราอยู่มันต้องจัดการตลอดแต่เมื่อไรมันไม่ใช่ตัวตนมันคือการปล่อยการวางการละการคลายออกการผ่านการไม่ติดไม่ขัดไม่คล้องในทุกๆสภาวธรรมนะเนี่ยตรงนี้มันก็สู่การพ้นทุกได้ใช่ไหม เพราะนั้นการดำเนินของใจมันจึงเป็นการดำเนินอของสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นสภาวะธรรมที่เป็นการรู้ที่ไม่เข้าไม่ได้เข้าไปจัดการในอะไรนะเราก็รู้ว่าตรงนี้มันคือใจแล้วนี่มันไม่ได้ไปอยู่กับอาการของใจนะอย่างที่ก็เลยเข้าใจอย่างที่หลวงปู่ดูลบอกใช่ไว่าจิตที่ส่งออกนอกนะมันไม่ใช่ว่าจิตที่ส่งออกนอกไปดูทางตาทางหูทางอะไรเฉยๆอันนั้นคือจิตส่งนอกเหมือนกัน ใจก็ติดส่งออกนอกก็คือการที่เราไปอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายด้วยใช่ไหมอะไรต่างๆเราเนี่ยมันไม่ได้กลับมารู้ใจจริงๆนะแต่การต่างๆใจก็ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์แต่เป็นเป็นเหตุให้เรารู้ใจมาแม้มกระทั่งไม่จะรู้ได้อย่างไรนะมันก็ต้องมีอาการของใจให้เกิดขึ้นก่อนเช่นมีความคิดมีความโกรธความรักความชังนี่แหละมันคือสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาให้เราเราเสร็จแล้วเราก็ไปรู้ในตรงนั้นได้ มันก็ไม่มีอะไรที่ไปรู้นะเพราะฉะนั้นอาการต่างๆใจเช่นการเดินยงกรมก็แล้วแต่การยกมือสร้างยภาวะก็แล้วแต่นะพวกนี้ก็คือ ก, กลับมาให้เขารู้ในอาการต่างๆเหล่านั้นเพื่อที่จะไปรู้ใจอีกครั้งหนึ่งนะก็เลยอาศัยเครื่องมือเราเนี่ยเป็นเครื่องเจริญสตินะมันก็เลยต้องมีสติในการที่เราว่าเรากลับมาลูไกลนะแล้วแล้วก็รู้ใจได้ไหม ม, มันก็หนทางมันก็ดําเนินไปเช่นนี้นะไม่ใช่ว่าเรารู้กายอย่างเดียวหรือรู้ใจอย่างเดียวแต่อะไรก็ได้ที่มันสามารถรู้ในขณะนั้นะจะรู้กายก็ได้รู้ใจก็ได้เข้ามาแต่ใหม่ๆแล้วก็มารู้กายก่อนเข้ามาสําหรับมานักปบัตใหม่ๆแล้วก็เพราะเรายังดูใจไม่คล่องดูไม่เป็นนะก็ไปเพง่งไปจ้องเขานะการเพง่งการจ้องก็คือการไปบังคับเขานั่นเองนะให้เขาเป็นแบบนี้แบบนีนะ้ให้เขาต้องอยู่ตรงนี้ให้เขาไม่ไปไหน นะให้เขารู้ตลอดเวลานะให้เขารู้ต่อเนื่องอไม่หลงเลยนะอันนี้ ก, การบังคับใจทั้งหมดนะ น, นั้นคือสมุทัยทั้งหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าการที่เราสามารถที่จ ะ, ะรู้เท่าทันกายนั้นะโดยที่ไม่ไปเพ่งไปจ้องเขาแต่เรารู้ไปตามความเป็นจริงน ะ, ะมันก็เป็นธรรมชาติได้อย่างหนึ่งใช่ไหมบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรู้กาย เช่นเราบางทีอาจจะเดินไปบินสบายไกลๆนะหรือเดินไปห้องน้ําต่างๆเราเนี่ยหรือว่าเราไปอุจจาระไปปัสสาวะ <The lyn oring> <ซ>ตรงนี้เรารู้ได้ไหมมันมันเป็นธรรมชาติมากมากขึ้น <m agn ostic> ใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ไปตั้งใจเยอะใช่ไหมเราก็เออบางทีไปเดิน เ, เดินเข้าห้องน้ําแล้วเขารู้สึกตัวได้นะหร <m agn ostic> <ule mon> ือไปบินสบายไกลๆก็รู้สึกตัวได้มันก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นใช่ไหมหรือความคิดบางทีเราก็ ไม่ได้ตั้งใจคิดอะไรเลยแต่มันก็ระลึกได้ไบ่อยๆโอ้อยังงูอย่างนี้นะรู้ทันมันก็เป็นธรรมชาติของมันได้เรื่อยๆนะเนี่ยก็คือธรรมชาตินี่แหละคือความจริงที่ปรากฏขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ว่าเป็นการไปปรุงไปแต่งเพราะว่าสภาวธรรมต่างๆก็คือธรรมชาติล้วนๆนะธรรมชาติล้วนๆธรรมชาติล้วนๆก็คือความที่เราบังคับก็ไม่ได้นั่นแหละเขาก็เป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นนะดีมั่งชั่วมั่งผิดมั่งถูกมั่งมันก็คือธรรมชาติของเขาแล้ว ไ ม, ไม่ใช่ว่ามันมันจะต้องดีทุกๆอย่างใช่ไหมหรือว่ามันต้องไม่มีอะไรเลยต้องไม่มีกิเลสอะไรทั้งสิน้นนะเพราะกิเลสมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ของเราใช่ไหมทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติทั้งหมดถ้าเราเข้าใจธรรมชาติแล้วเราก็จะเข้าใจธรรมะจริงๆไดนะ้สู่ความเป็นเสถิ ร, รมได้นะมันก็คือทุกอย่างนะมันเป็นปรากฏการของธรรมชาติอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะมันก็แสดงสภาวะธรรมอย่างหนึ่งว่าเราบังคับเขาไม่ได้นะ เขาจึงต้องเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นของเขาเองใช่หไหมเราก็มีหน้าที่รู้ไปโดยที่ไม่ต้องไปจัดการนะมืนที่หลวงพ่ อ, อคําเกมบอกว่าเห็นไม่เป็นนะหรือเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะันก็คือเพราะว่าทำต่างๆเราก็เป็นผู้รู้เป็นผู้ดูเข้าไปไม่ต้องไปจัดการเลยตั้งสิ้นเขาก็แสดงว่าใจรักเราเห็นอยู่เรื่อยๆในความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะแสดงความเกิดความดับ บุได้จริงๆแล้วเห็นแค่ความเกิดดับก็บรรลุเป็นพระโสดาบันไดนะเหมือนกับพระโกนธัญญานั้นท่านก็เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเนะี่ยท่านก็เป็นรู้เป็นพระโสดาบันไดนะหรือพระบ้างองค์ท่านก็ไปเห็นฟองน้ําเกิดแล้วก็ดับฟองน้ําเดี๋ยวก็เป็นฟองอจากฝนตกลงมาโดนน้าเกิดเป็นฟองปรเดี๋ยวมันก็แตกไปนะท่านเห็นไม่บ่อย เห็นเข้าท่านก็มาเข้าใจจิตใจของท่านรนะ่างกายนั้นก็คล้ายๆนะมันเกิดแล้วก็ดับเช่นนั้นเองอมันก็บรรลุทำได้นะหรืออย่างพิกุลนีอ่องค์หนึ่งท่านก็มีหน้าที่ต้มน้ํานะท่านก็เห็นน้ําต่างๆเนี่ยแหละมันก็เกิดแล้วก็ดับนะมันเป็นความที่เรียกว่ามันระเหยไปนะท่านก็บรรลุเป็นพระริยาเจ้าได้นะจิตใจเราเป็นอย่างไรจิตใจเราจริงๆถ้าเราเห็นนะเราเดินจงกรมเราเห็นไหมว่า ความคิดมันคิดแล้ ум, วเมื่อเราร um. enfin ู้ทันมันก็ดับไปใช่ไหมเราก็เห็นมันได้ใช่ไหมความคิดเกิดแล้วก็ดับความคิดเกิดแล้วก็ดับใช่ไหมเราก็เออมันก็ไม่ได้ไปเห็นอะไรเยอะมันก็เห็นแค่เกิดดับเท่นั้นมันก็เข้าใจสบายว่าทําได้ใช่ไหมหรือความโกรธเหมือนกันนะความโกรธเกิดแล้วก็ดับความโกรธเกิดแล้วก็ดับนะอาจจะดับช้าก็ไม่เป็นไรนะความโกรธไม่ใม่ห็ดับเร็วหรอกยิ่งเราอยากให้มันดับเร็วมันก็ยิ่งไม่ไม่ดับเท่าไหร่หรอกใช่ไหมแต่เราก็รู้มัน มันก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันใช่ไหมความรักเป็นไรความพอใจมันก็เหมือนกันนะมันก็เกิดแล้วก็ดับใช่ไหมอาจจะดับเร็วหรือดับช้ามันก็เป็นเรื่องมันไม่เรื่องเราแต่ว่าเราก็รู้ไหมว่ามันเกิดแล้วก็ดับนะเพราะสิ่งใดที่มันเกิดแล้วก็ดับมันก็แสดงมาไต่รักเขาอะไรหนึ่งเห็นแล้วว่าเราบังคับเขาไม่ได้นะเขาเกิดแล้วก็ดับนะความพอใจอยู่เรานานๆก็ไม่ได้ใช่ไหมให้อยู่เรากันนานๆก็ไม่ได้เขาเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันทั้งหมดเราเนี่ยเราจะเห็นว่าเออทุกอย่างมันก็ เป็นของที่เรียกว่ามาแล้วก็ไปนะแล้วก็เป็นของให้ไม่น่ไม่นอนเกิดแล้วก็ดับเพราะฉนนั้สิ่งเหล่านี้เมื่อมันเป็นเช่นนั้นมันก็เป็นของมันเช่นนั้นเองมันจึงไม่แฉ่งเราไม่เป็นตัวเป็นตังเราเราบังคับเป็นชาไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นหนทางที่เรกว่าเรากลับมาเห็นไสยธรรมนะก็คือเห็นปัตติลักษ์นั่นเองนะถึงความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหตา เมื่อเห็นตรงนี้ไปบ่อยแล้วนะก็คือมันมันก็เห็นไปบ่อยนะมันไม่ใช่ว่าเห็นครั้งสองครั้งเพราะใจเรามันมันหมักหมมมันมีอวิชชาอยู่เยอะมากมายที่มาอวิชชาคือความเป็นตัวตนนี่แหละมันสั่งสมมานับผมนับชาไม่ทั่วแล้วใช่ไหมมันก็ต้องอาศัยสิ่งเราเนี้ยมากระเทาะกระเทาะกระเทาะความเป็นตัวตนให้มันน้อยลงให้มันออกไป นะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนจริงๆนะแต่มันเป็นความเข้าใจผิดของเราต่างหากก็คือเราไปยึดมันเองนะไอ้กายและใจว่ายึดเป็นของเรานี่แหละไอ้ความยึดมั่นนี่มันมันมีมามากมายนับภพบนับชาไม่ท้วนแล้วเราเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่น ะ, ะเกิดเป็นสุนัข ก, ก็ไปยึดได้สุนัขนี่เป็นของเป็นตัวตนของเรานั่นแหละเกิดเป็นไก่ก็ไปยึดว่าไอ้ไก่นี่เป็นตัวตนของของเราพอมาเกิดเป็นคนก็ไปยึดว่าไอ้ไอคนนี่เป็นตัวตนของเราอีกใช่ไหมมันเป็นความยึดมั่นมานับภบนับชาไม่ทั่วแล้วนะ แต่เมื่อเราสามารถปฏิบัติธรรมแล้วก็คือเราถอดถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวต้นนี่แหละโดยการเห็นมันบ่อยๆนะอนิจังทุกขงังนาตานมันแสดงอยู่ตลอดเวลาแล้วใช่ไหมความไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้มันแสดงอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อเราเห็นในสภาวะธรรมตัวนี้บ่อยๆมันก็กกกกกกค่อยๆกระเทาะกระเทาะก็คือค่อยๆถอดถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัว้นนี่แหละให้มันบางลงให้มันน้อยลงให้มันจางไปให้มันคลายออกนะตรงนี้มันก็สามารถที่จะบรรลุธรรม นะั่นก็คือกลับไปสู่สภาวะแห่งความเป็นจริงได้ในที่สุดนะั่ก็คือสู่ความพ้นทุกได้เนาะอันนี้ก็เป็นผนทางที่พวกเราสามารถดําเนินได้ทุกคนนะในชานนี้นะเพราะฉะนั้นก็ในท้ายที่สุดนี้ขอรัตนาบารมีคุณพระนะไตรน้อมนําทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพันทุกท่านเทิด